ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็นนั้นสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิฉาอาชีวว่าเป็นมิฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฐิมิฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดหลอกลวงการเลียบเคียงการหวานล้อม การพูดและเล่มการใช้ลาบต่อลาบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะสั ม, มาอาชีวะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสั ม, มาอาชีวะว่ามีสองได้แก่หนึ่งสั ม, มาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสองสั ม, มาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรค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 คือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสา ม, มาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกกตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิฉาอาชีวะ ยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิชฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติท่ามสามนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิสสัมมาวายามะสสัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉนนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็นนั้นสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไร คือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสติก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิสัมมายานะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมายานะสัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะภิกษุทั้งหลายพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบแม้ในบรรดาองค์เหล่านั้นบาปอากุศ ล, ลธรรมเป็นอนเนกไปปราดแล้ว ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยสัมมาญาณะด้วยประการะน้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็นนั้นสัมมาทิชิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไร คือสัมมาทิฐิย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่สัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังก <rad> ัปปะได้สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะ ย่อมทำลายมิจฉากรรมันตะได้สัมมาอาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สัมมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สัมมายาณะย่อมทำลายมิจฉายาณะได้ สัมมาวิมุตติย่อมทำลายมิช่าวิมุตติได้และบาปอากุสนธรรมเป็นอเนกอันมีมิช่าวิมุตติเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตตินั้นทำลายแล้วคุสนธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะฝ่ายคุศล20ประการ ฝ่ายอากุศลยี่สิบประการที่สมณะพราหมเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ไว้ด้วยประการะชนีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมผู้ใดผู้หนึ่งพืงเข้าใจธรรมบัญญาย่อว่ามหาจัตตาริสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจิปประการนี้ของสมณะหรือพราหมนั้น จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวคือ 1. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาทิฏฐิท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสันเสริญสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 2. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสังกัปปะท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสันเสริญสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสังกัปปะ 3. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวาจา ละถึง4ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมากรรมมันตะ 5. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาอาชีวะ 6. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวายมะ 7. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสติ 8. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสมาธิ 9. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมายานะ สิบถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสัรเสริญสมณะพราหม์ผู้เป็นมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่านึงพึงเข้าใจธรรมบรัรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือควรคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการนี้ ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัดสะและพวกพันยะชาวโอกละชนบทผู้เป็นอเหตุกุกะวาทะอคิริยะวาทะนัติกะวาทะเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมบัญญาย่อว่ามหาจัตตาริสกะว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไร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 อาณาปานสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอาณาปานสติข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเทระมีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัสปะ ท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกติตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุธทธะท่านพระเรวตะท่านพระอานนท์และพระสาวกผู้เป็นเทระที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆก็สมัยนั้นพระเทระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลายคือ ภิกษุผู้เป็นเทระบางพวกสั่งสอนพร่มสอนภิกษุ10บรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่มสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่มสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่มสอนภิกษุ40รูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่มสอนอยู่ย่อมรู้ชัดทำวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อน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 เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเราจักรออยู่ในกรุงสาวัตถีนี้แหละจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมตภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคจากทรงรออยู่ในกรงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มประมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเทระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสิบรูปบ้าง บางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุส0สรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างและภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดทำวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวง อันเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงแวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจ ด, ดูภิกษุสง์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากัน ดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุสงฆ์บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึ้น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 บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีเพราะสิ้นโอรัมพากิยสังโยชน์หจะเกิดเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดา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 ในภิกษุ ส, สงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุ ส, สงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอิทธิบาศสี่อยู่ในภิกษุ ส, สงฆ์นี้ก็มีพิกษุเช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีพิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอินทรียห้าอยู่จเจริญภระยหอยู่เจริญพ่อชงเจ็อยู่มีภิกษุ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 มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภสัญญาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอาณาปานสติอยู่ อาณาปานาสติที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากอาณาปานาสติที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานสีให้บริบูรณ์สติปฐานสี่ที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์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 หายใจเข้าสาเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสีสาเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสาเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก 5. ้าสาเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสาเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก 6.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 สําเนียวกว่าเรากําหนดรู้จิตหายใจเข้าสําเนียวกว่าเรากําหนดรู้จิตหายใจออก10สํสสสาเนียวกว่าเราทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสําเนียกว่าเราทําจิตให้บันเทิงหายใจออก11สําเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าจําเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก สิบสองำเนียกว่าเราเปลืองจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลืองจิตหายใจออกสิบสามำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสิบสี่ำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า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 ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร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 เป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงเชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่2 สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากาหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากาหนดรู้ปีติหายใจออกสำเนียกว่าเรากาหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากาหนดรู้สุขหายใจออกสำเนียกว่าเรากาหนดรู้จิตตังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากาหนดรู้จิตตังขารหายใจออก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 หายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลืองจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอาณาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิต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 สติปฐานสสติปฐานสี่สสที่ภิสุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้พ่ชงเจบริบูรณ์คือ 1. สมัยใดภิสุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิสุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืม สมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงสมัยนั้นสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้น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 สมัยนั้นธรรมวิญยาสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 3. ภิกษุนั้นค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพยยาิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพยยิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสำโพชงสมัยนั้นวิริยะสำโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 4. สมัยใดปิติที่ปราศจากอามิ t h เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วสมัยนั้นปิติสำโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสามโพชงสมัยนั้นปิติสามโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้น ปัสถิสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุปรารพแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าจเจริญปัสติสัมโพชงสมัยนั้นปัสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความจเจริญเต็มที่ 6. เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 7. ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี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 สมัยนั้นสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิสุปรารพแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงสมัยนั้นสติสัมโพชงของภิษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 3. ภิกษุนั้นคน้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา เป็นอันปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยใดภิกษุย่อมคน้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยนั้นวิริยะสมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสำโพชงสมัยนั้นวิริยะสมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ สปีติอันปราศจากอามิ t h เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วสมัยใดปีติอันปราศจากอามิ t h เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อพิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดเมื่อพิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสติสัมโพชงสมัยนั้นปัสสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 6. เมื <necessary. S 2> ่อภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 7.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 สติปทานสี่ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้พ่ชงเจบริบูรณ์